บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสารุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของชาติที่แปลว่าความเกิดนั้นโดยหลักจริงๆแล้วก็ส่งจับนกแสดงออกไปเป็นการเกิดในกำเนิดทั้งสี่ประการ ทีราพูดพูดว่ากําเนิดสี่ติหกตินั้นหมายถึงสถานที่เกิดแต่กําเนิดนั้นก็ปรากฏอยู่ในสถานที่นั้นๆด้วยในกตินั้นๆการเกิดก็อยู่ในกลุ่มของทุกขสัตว์ที่พระเจ้ญญาทรงสั่งสอนในรูปของปริญญาตปรธรรมคือธรรมะที่เราจะต้องกําหนดรู ถึงสภาวะความเป็นจริงตามที่เป็นจริงอย่างไรก็ให้รู้ตามความเป็นจริงจากนั้นแต่ในแง่ของคดีโรกแล้วเราสังเกตว่าเราไม่ได้มองในมุมนั้นเพียงมุมเดียวแต่ก็มองกันหลายหมุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มองมักจะไม่ตรงกับหลักที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว ในเรื่องของความเกิดมีการปรารถนาบวงสรวงอ่งอนบอนประกอบกรรมวิธีต่างๆเพื่อให้ได้มีลูกมีหลานเกิดมาแต่บางคนก็หาวายวิธีต่างๆที่จะต้องที่จะไม่มีการเกิดขึ้นมาเพราะในช่วงของความเกิดอาจจะเป็นที่ปรารถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบ้างของบุคคลทั้งหลาย แต่ไงก็ตามในกรณีที่เกิดมาแล้วแล้วก็เป็นชีวิตมาแล้วแต่ก็จําแนกจากช่วงชีวิตนี้เองคือไม่ได้กําหนดที่ช่วงของความคิดว่าชอบหรือไม่ชอบแต่จริงแล้วเป็นคนละเหตุคนละปัจจัยกันการเกิดก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของการเกิดในกรณีนั้นๆ การชอบหรือไม่ชอบก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยภายในความคิดของคนแต่ละคนซึ่งกำหนดการเกิดของบุคคลเอาไว้แม้จะเป็นการเกิดของคนเพียงคนเดียวกันแต่จากมุมมองอาศัยความเกี่ยวข้องผูกพันตัวเด็กที่เกิดขึ้นมานั้นคนจะมีความรู้สึกแตกต่างกัน แต่โดยสภาวะที่แท้จริงแล้วเราจะเห็นว่าผู้ที่เกิดมานั้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึกของคนอื่นแต่ตัวสังขารร่างกายที่ประกอบดินน้ำลมฝอยอากาศนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยก่แก่เพราะเรื่องความเกิดที่เป็นกลุ่มของทุกขสัตว์จึงทรงสอนให้บุคคลมองในแง่ของความจริงในในฐานะที่เป็นสังสารทุก คือทุกประการหนึ่งซึ่งเราต้องประสบอยู่ในสงสารและจากจุดเกิดนี้เองจิตใจคนที่มีความประนีตระดับพระรยาบุคคลทั้งหลายในรกรณีที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแก่ท่านที่สามัญเนนรูปหนึ่งบรรลุมรรคผลเป็นพระหันตั้งแต่เป็นสามัเนนน้อย อุปถากบำรุงอาจารย์ก็ตัวเองซึ่งเป็นพระกูตุชนในวินัยนั้นกําหนดเอาไว้ว่าพระกันเองนั้นจะนอนร่วมห้องเดียวกันเกินสามคืนไม่ได้ที่จริงก็ไม่ได้หมายถึงสามเณรอย่างเดียวก็เรียก อ, อนุปัฏบันคือคนที่ไม่ได้ปวดการปรับประบาดเป็นป่าจิตติแต่เป็นการเดินทางก็มีที่พักจํากัด อาจารย์กสิทธิ์ก็จะพักด้วยกันอาจารย์เป็นปุตุชนนอนแล้วก็หลับไปเลยสัมเลนเป็นพระหันท่านมีสติสัมปชัญญะรู้ตื่นอยู่เต็มที่ในคืนใดที่ครบคืนที่สามท่านก็จะนั่งแต่ไปนอนในคืนหนึ่งอาจารย์ตื่นขึ้นมานึกออกว่าคืนนี้เป็นคืนที่สา เรต้องการจะปลุกเนนแทนที่จะปลุกตัวเองเราพัดไปพาดเนนปลุกให้ตื่นพอดีก็ไปถูกาตาเนรบอดสองข้างตำเนรไม่ได้บอกอาจารย์ว่าตาถึงบอดนะรุ่งเช้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยมือหนึ่งกําตาอยู่เมื่ออาจารย์สอบถามสราบความเจนั้นก็ตกใจมากก็ก็มาโทษตำเนร แต่ารย์เนรกลับบอกว่าไม่ใช่เป็นโทษผิดอะไรของอาจารย์หรอกมันเป็นโทษของวัฏฏะเพราะนั้นประโยคนี้จะใช้กับจุบมากพระหันทั้งหลายแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็จะทรงใช้คำว่าโทษของวัฏฏะหมายความว่ายังไงหมายความว่าสับปะทุก์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราปัะหาสําคัญว่าเพราะเราเกิดมาแต่นั่นเอง เราไม่เกิดมาความทุกข์โกรนั้นก็ไม่มีที่ตั้งให้มีที่แสดงอาการก็ไม่สามารถที่จะแผดเผาสร้างความระรรอนันเกิดขึ้นแก่เราได้บางอย่างเป็นเรื่องของวิบากกรรมที่เราเกิดขึ้นมาในชาติหนึ่งแล้วก็ทํากรรมชั่วร้ายไม่ดีเอาไว้กรรมนั้นไม่ให้ผลในชาตินั้นคือให้ผลไม่ทันก็ยกยอดมาให้ผลมันก็เป็นเรื่องโทษของวัตถะ เพราะถ้าเรามองจากกระแสะกรรมที่ส่งจําแนกแสดงประเภทการให้ผลของกรรมไว้เป็นสามช่วงช่วงแรกก็คือให้ผลในชาติปัจจุบันช่วงที่สองก็ให้ผลในชาติต่อไปแล้วก็เภทที่สามก็ให้ผลในชาติพบทุกสืไปเพราะผลที่ออกมาเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนหรือแม้แต่ความสุขความสงบต่างๆที่เราได้ในชีวิตประจําวันของเรา ในกรณีที่เราเชื่อมโยงเหตุที่มาของผลเหล่า น, นั้นไม่ได้อย่างที่ท่านมองจากสังสารวัฏท่านก็บอกว่าเป็นผลของวัตฐ์ถ้าไม่ดีท่านก็บอกว่าเป็นโทษของวัตฐ์ถ้าดีท่านก็บอกว่าเป็นผลดีของวัฏฐ์คือในสังสารวัฏที่มาอำวยผลมาให้ผลแก่บุคคลเหล่า น, นั้นเพียงแต่ว่าเรื่องอวัฏฐ์พระหัน์ไม่มองเป็นเรื่องดีแต่นั้นเอง แต่จะมองในแง่ของบุญกุศลที่ติดตามมาให้ผลแก่บุคคลนั้นๆในชาตินั้นเพราะประมองจากสายตาของพระหันปรากฏว่าตัวความเกิดนั้นท่านมองได้ทั้งสี่ทางของอริยสัจแล้วท่านหาประโยชน์จากตัวความเกิดนั่นเองได้เหมือนกันเพราะจากจุดนี้จึง มีการกล่าวถึงที่เรียกว่าเทวทูตคือผู้นำข่าวสารที่ประเสริฐได้แก่สตรีมีคันหรือว่าเด็กเพื่อเกิดใหม่คนที่ถูกลงโทษจองจำหรือถูกทันทัธรมานต่างๆตลอดถึงลงโทษแล้วคนแก่คนเจ็บคนตายนี่ก็เรียกว่าผู้นำข่าวสารที่ประเสริฐ มาบอกกล่าวมาตักเตือนบุคคลให้ทราบเอาไว้ว่าแม้ท่านเองก็จะเป็นอย่างนั้นแหละคือไม่ได้พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้หรอกหมายความว่าก่อนที่ท่านจะมีวันนี้ท่านก็มีวันก่อนๆที่อยู่ในคันของมารดาแล้วคลอดออกมาจากคันของมารดาอย่าทาให้มองเห็นความทุกข์ในขั้นตอนต่างๆของชีวิต หรือมองด้วยความเข้าใจในการกระทำหรือการแสดงออกของเด็กเล็กๆซึ่งไม่ประสีภาษาก็ยอมรับว่าแม่เราตอนเป็นเด็กมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเคยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรสร้างปัญหาให้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องต่างๆเป็นกันมากเพราะเราจะเห็นว่า จ, าจุดนี้เราก็มองได้ทั้งส่วนที่เป็น การปรับจิตยอมรับความจริงตามแนวของทุกษะการพยายามปฏิบัติโดยความรู้ความเข้าใจในแง่ของเหตุผลในด้านของมรรคสัจต้นกิเลสก็บรรเทาประปางลงไปเกิแสดงว่าพวกกลุ่มของสุบทัยก็สงบออไปผลคือความโปรงเบาก็จะปรากฏภายในจิตซึ่งเป็นอาการของนิโรธ แต่ในขณะเดียวกันเชื่องของความเกิดที่เองถ้าว่าบุคคลไปประกอบกรรมกระทำกรรมที่ไม่ดีเข้าตัวกรรมนั้นมันมีความเป็นสากลกิด ป, ปัญหาว่าใครจะไปประกอบกระทำอย่างไรก็ตามผลจะออกมาลักษณะอย่างเดียวกันคล้ายๆกับไฟนั้นมีความร้อนสากลก็ อ, อยู่ที่ไหนเขาก็ร้อนเข้าอะแล้วใครไปจับข้าวมันก็ร้อน ตนพวกบาป พ, พวกกุศลก็มีลักษณะอย่างเดียวกันคือกรรมที่เป็นอกุศลก็มีลักษณะอย่างเดียวกันเพราะงั้นท่านก็แสดงไว้เป็นสูตรว่าอากุศลให้ผลเป็นทุกข์มีความโลภความโกรธเป็นต้นแม้ว่าใครก็ตามที่ทําอะไรไปไปพูดอะไรไปหรือแม้แต่คิดอะไรไปด้วยแรงผลักดันของความโลภโกรธโง่งจะมีผลเป็นความทุกข์แก่บุคคลผูนั้นในขณะนั้นๆและในขณะต่อๆไปตลอดถึงในสังสารวัฏ แต่ผู้นำข่าวสารที่ประเสริฐในที่นี้ท่านไปสอนให้มองถึงคนที่กาลังประสบกับการลงโทษความทุกข์ทรมานต่างๆเพื่อมองในแง่ของกรรมพระอรหรนตตามปกติแล้วใจของคนจะมีความสับสนในด้านการมองสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของตน ในกรณีของคนที่ถูกลงโทษจับกุมคุงขังประสบทันทารมานต่างๆนคนจะชอบดูกันทุกยุคทุกสมัยแต่การไปดูดนั้นแทนที่จะได้ธรรมะจากการดูได้มุมมองในชีวิตว่าถ้าเราทําอย่างเขาเราก็เป็นอย่างเขาประวัศาสตร์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นขอ ง, ของตนจะต้องไปผู้รับผลของกรรมมี็กรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเป่าพันอย่าที่สุดสาธยายกัน คนส่วนใหญ่กลับมองด้วยความสะใจโดยการความมันในอารมณ์ที่ต้องการจะดูความพิบัติความประสบภัยอันตรายการร้องไห้โหยหาเรียกร้องให้คนก็ช่วยเหลือจากการที่ถูกลงโทษในทันด้วยทันของบ้านเมืองทั้งหลายปัจจัยที่มองแต่ที่จะได้ผลดีก็กลับมีปัญหาคือเกิดวิหิงสาขึ้นภายในใจ ทางทางที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเขากํำลังประสบผลกรรมในกรณีที่คนกําลังประสบผลกรรมนั้นจะได้ดีมีสุขหรือประสบความทุกข์ความเดือดร้อนก็ตามบุคคลจะต้องได้รับผลจากสิ่งนั้นทั้งสองด้านในกรณีที่เขากระทําความดีมีความสุขความเจริญความข้าวหน้าความเาาามกษมเกรียมเปลี่ยนชีวิตท่านสอนให้ทําจิต ประกอบด้วยมุติตาคือสึกเพลินเพลินพลิเพชื่ น, นชมยินดีในความเจริญก้าวหน้าของบุคคลตนนั้นคือจะเป็นใครก็ตามไม่สําคัญหรอกแต่เราก็อนุมโมทนาชื่นชมเขาที่เขาประสบความสําเร็จโบราณมีคําพูดที่ขมมากที่ก็บอกเป็นบุญของเขาคนนี้มีบุญหรือเป็นบุญของเขาแสดงว่าเป็นการพูดที่มี เหตุผลแล้วก็ความเข้อใจเหตประการที่คนประสบความสุขความเจริญข้าวหน้าในลักษณะนั้นจะต้องเป็นบุญแล้วเขาก็ต้องเป็นผู้มีบุญบุญนั้นจะมีการตอบสนองให้มีความเจริญก้าวหน้านลักษณะนั้นเราก็โมทนาชนจมยินดีกับเขาในขณะเดียวกันก็มองไปที่เราว่าเราต้องการผลเช่นนี้บ้างไหม ก็คงจะต้องการด้วยกันแล้วก็ถามใจตัวเองว่าแล้วเหตุเพื่อเกิดผลตรงนี้เรามีหรือไม่มันจะทำให้บุคคลได้ปลูกฉันทะความพอใจในกุศลเพลียนพยายามประพฤติปฏิบัติในส่วนกุศลโดยจิตใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ไม่มันไ ม, ไม่ไม่งอ น, ง น, นแงนขรแขรประกอบก็มีปัญญาเป็นเครื่องสอดสองทุกขั้นตอนของความเพียนพยายามที่จะบรรลุผลนั้น ตกลงว่าคนที่ประสบความเจริญก้าวหน้าก็ดำรงอยู่ในฐานะของตัวเองตามปกติเราเองได้รับความสงบใจได้รับความมุติตาเกือเพลิดเพลิพนใจและเราก็ได้แบบในการที่จะเดินไปจะศึกษาจะประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นอย่างคนที่เราชื่นชมเข้ามา นี่เราก็จะได้ผลจากธรรมะทุกตาทุกขั้นตอนซึ่งก็เป็นการทวนกระแสะของโลกตามปกติโลกเราดันเมื่อคนมีความเจริญก็น่าจะถูกริษยาจนถึงกับทำลายล้างเพื่อต้องการยุแย่งผลประโยชน์เหล่านั้นมาเพราะันจากมุมมองส่วนนี้จะเห็นได้ว่าแม้แต่คนที่เขาทำความดีซึ่งชาวโลกเขามักมองในริษยา แต่เราก็มองโดยมุทิตาเราก็ได้ประโยชน์จากการมองแล้วก็ได้แบบฉบับในการดำเนินชีวิตในระดับที่เรียกว่าสำเร็จรูปคือเขาประพฤติปฏิบัติให้ดูมาแล้วที่ประการหนึ่งถ้าหากว่าเ็าประสบความเลือดร้อนประกาศกระทาของเขาอย่ในกรณีของนักโทษกลาวแล้วเราก็มองในแง่ของกฎแห่งกรรม แน่นอนช่วงนั้นขณะนั้นเราจะเมตตากรุนาบุติตาอะใจคงไม่ได้แร้วเราจะคืนทาไปแล้วจะมีปัญหาติดตามมาดังนั้นยังทำใจให้มัตยาติอยู่ที่ทำกลางมองเห็นว่าเขาก็เป็นไปตามกรรมของเขานั้นก็อีกช่วงหนึ่งพอช่วงหนึ่งก็เกิดความสลดจิต คิดเห็นถึงโทษของบาปของกุศลที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลเป็นเดชได้คิดได้ทําให้พูดไปตทำแรงผลักดันของบาปและกุศลเหล่านั้นจนถึงสลดใจในสังสารวัฏบาปกรรมเหล่านี้หรือการการะทําบาปกรรมเหล่านี้หรือสู่ความทุกข์ทรมานต่งตางๆเหล่านี้ที่จริงเกิดขึ้นแก่เขาก็เพราะว่าเขาได้ผ่านสังสารวัฏมาเป็นเรื่องของวัตจัก็เป็นโทษของวัตตะ นี่เราก็ได้ประโยชน์จากเทวทูตคือผู้สื่อข่าวสารที่ประเสริฐในกรณีที่เป็นนักโทษหรือ ป, ประสบทันทรมารต่างๆในกรณีที่เมื่อเกิดมาแล้วต้องไหลเข้าสู่กระแสรธรรมดามุมมองในแนวของเทวทูตก็จะมองจากสามช่วงเช่นเดียวกันหมายความว่าเมื่อเห็นใครแก่ก็ตามเราเห็นเราแก่ก็ตาม มันก็ถือว่าเป็นธรรมชาติธรรมดามันเกิดมานานแล้วมันต้องแก่เพราะคนจะไปตั้งความหวังความปรารถนาให้คนซึ่งจะต้องแก่เป็นธรรมดาไม่แกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ทําทได้ในกรณีที่ให้แก่ช้าลงหน่อยเพรา ะ, ะ น, นก็ทําใจยอมรับคติธรรมดาแต่ในขณะเดียวกันจากจุดของความแก่นั้นแสดงถึงความใกล้ตาย บางคนอ จ, จะอาศัยเพียงความแก่นั่นเองแต่มองว่าชีวิตเราก็ใกล้ตายเขาคือทํำยังไงในแต่ละขณะของชีวิตในแต่ละวันแต่เวลาที่ผ่านไปเราจะหาประโยชน์ให้ได้มากที่สุดก็รีบเร่งนะทําความเดียวนี้ประการหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าท่านเป็นผู้เจริญโดยไวัเป็นผู้ใหญ่โดยอายุคือเกิดมาก่อนเราเราก็ให้ความเคารพนับถือท่าน แล้วก็ถือท่านเป็นครูทั้งสองด้านคือด้านของการประพฤติปฏิบัติถ้าท่านปฏิบัติดีเราก็เป็นครูในถือตามปฏิบัติตามถ้าท่านปฏิบัติไม่ดีก็เป็นครูในการที่จะ ง, งดเว้นไม่เป็นอย่างที่ท่านเป็นแล้วก็ทำนองคล้ายๆกับเราเดินตามหลังคนไปแต่เป็นรูปธรรมี้เราจะเห็นได้ชัดมากว่ า, เ, าเดินตามหลังคนไป วันีคนหนึ่งก็เดินไปถูกทางคนหนึ่งเดินหลงทางแล้วก็ตกบ่อทั้งสองคนนั้นเป็นครูให้เราเราจะเอาอยัางไงเราเดินอยู่ข้างหลังแต่เดินคาตามคนตกบ่อเราก็ตกบ่อแต่เดินคนที่ไปถูกทางเราก็เดินถูกทางแล้วก็มองกลับมาที่ผลที่เราต้องการ เราจะเห็นว่าผลก็คือความสุขความเจริญที่เราอยากจะได้จากการเดินไปในฐานที่เท่านั้นเพราะงั้นเราก็เลือกเดินตามคนที่เดินไปถูกทางคนที่เดินไปถูกทางมันก็เป็นครูแต่คนที่ดกตกบ่อที่จริงเขาก็เป็นครูไม่บอกก็เหมือนบอกว่าถ้าเธอเดินมาแล้วก็ตกลงไปตรงนี้เช่นเดียวกับฉันเธอก็จะเป็นอย่างที่ฉันเป็นเพราะเราก็งดเว้น ก็ดีที่คนนั้นเขาเดินตกให้ดูซักก่อนแต่เป็นงั้นเราก็ต้องตกตามไปเพราะจากโครงสร้างเหล่านี้ท่านสาธุชนก็จะพบว่าพระเจ้าก็ทรงมีวิธีการที่จะทำอาอกบุคลิกภาพของบุคคลวิถีชีวิตของบุคคลซึ่งปรากฏอยู่ในสมัยนั้นหรือแม้ในสมัยก่อนมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมะระดับนี้ระดับที่จะให้ถือเอาเป็นครู คนดีก็ถือเป็นครูคนไม่ดีก็ถือเป็นครูอย่างคนดีที่ทรงแสดงไว้ในรูปความสําเร็จด้านต่างๆแต่เราต้องการบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์และก็เป็นพรหมในภพมโลกต่างๆเพื่อให้บุคคลได้ยึดถือเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติว่าถ้าเธอต้องการผลอย่างที่เขาต้องการที่เขาได้แล้วเธอก็ต้องศึกษาถึงวัดปฏิบัติที่จะทําให้เธอได้รับผลเช่นเดียวกับที่เขาได้รับ แต่ในขณ ะ, ะเดียวกันก็นําเอาเรื่องนรกเรื่องเปรตเรื่องอสุรากายเสัตติเรชานมาสอนในบุคคลมองเห็นเป็นครูเพราะในที่เหล่านั้นที่จริงความเป็นเปรตความเป็นสัตว์นรกความเป็นสัตติเรชานนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่การนํามาสอนนั้นจะสอนย้อนกลับเข้าไปสู่เหตุที่ให้เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรากายแต่พระเจ้าก็ทรงแสดงเหตเท่านั้น มันตัวเหตุเหล่านั้นมันก็บอกทางให้ก็ตานองให้ให้คนตกบ่ออย่างที่ว่าแล้วใครจะบอกว่าถ้าเธอเดินมาทางนี้มันก็เป็นอย่างที่จันเป็นนี่แหละเราก็ได้งดเว้นในการเรียนรู้การศึกษาธรรมะในทางพระพุทธศาสนาตามหลักของพุทธวิธีดันที่จริงแล้วก็จะจับตรงไหนก็ได้เพราะเขาจะขยืนไปถึงกัน จากกระเทือนไปกระทบถึงกันภาพของคนแกะชะะ่ชราก็เป็นแรงผลักดันอย่างสูงที่คนได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมจมนบรุมารคผลไปได้และแม้แต่พระเจ้าเองก็อาศัยพวกเทวทูตเหล่านี้คือคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมานักแล้วก็บอกถึงสภาวะธรรม คนนี้ไม่ได้มองในแง่ของการละกุศลหรือการเจริญกุศลแต่ก็มองในแง่ของสภาวะธรรมซึ่งจะต้องพยายามทำใจยอมรับทั้งความจริงของเขาแล้วก็ถ่ายต่ออัตนามนาณทิฏฐิที่มีอยู่ในตัวเราในของเราแม้ในบุคคลอื่นนก็ห้บรรเทาบปังลงไปพอถึงคนเจ็บมันก็มีรักษณะอย่างนั้นคือจะสอนได้ทั้งสองทาง คนเจ็บก็อีกด้านหนึ่งก็คือคนที่ไม่เจ็บการเจ็บกับไม่เจ็บเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นแต่เหตุให้เจ็บแล้วไม่เจ็บนั้นเป็นเหตุที่ผ่านมาแล้วในอดีตเพราะงูมองก็กลับไปสู่เหตุอดีตเพืจะถือเป็นแนวประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็เป็นทางที่ควรเกี่ยวกับการงดเว้นคือไม่เดินตามไปแต่ว่าการชี้นั้นมันก็มีลักษณะเหมือนกับแผนที่ เดี๋วบาีก็ชี้เฉพาะทางถูกออกให้โดยไม่ต้องบอกทางผิดแต่จริงก็บอกทางผิดเอาไว้หมายความว่าถ้าเราไม่ไปเดินตามเส้นทางที่ท่านบอกไว้ก็หมายความว่าผิดทํานองเดียวกับที่ท่านบอกกดถากให้ว่าถ้าไปทางซ้ายก็แสดงว่าไม่ต้องไปทางขวาแต่ท่านบอกว่าไปทางขวาก็แสดงไม่ต้องไปทางซ้ายเพราะฉั้นทางซ้ายกับทางขวาจะถูกปฏิเสธไป เมื่อท่านบอกทังอีกทางหนึ่งแนวการปฏิบัติธรร ม, มระดับกรรมฐานที่เรียกว่าปุสสะถากรรมฐานานิพพัลลกรรมฐานมล้ก็แนวนั้นคือเป็นแนวที่จะบอกในส่วนของสิ่งที่เป็นกุศลดีงามเพื่อให้เกิดชั้นเท่าสหะที่จะประพฤติปฏิบัติตามแต่เมื่อคนได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามไปแล้ว ก็จะได้รู้เห็นถึงความจริงของสิ่งเานั้นแล้วก็หาประโยชน์ได้ทั้งส่ทางคือหาประโยชน์จากสภาวธรรมโดยการกำหนดในแง่ความจริงตำแหน่งนของอริยสั์ได้ประโยชน์จากความเป็นปหาตปธรรม จะนับพบคนแก่บางคนเป็นเจ้าอารมณ์จุจ้จี้จุกจิกขี้พูดขี้ผลชอบด่าว่าเอาแต่ใจตัวเองไม่มีการควบคุมตัวเองเราดูแล้วนะแตนที่จะเกิดชื่นชมยินดีรู้สึกสลดใจแต่แตนที่จะไปด่าว่าอะไรเขาเราก็มองในแง่ของอุเบกขาเป็นกรรมของเขาเป็นไปตามกรรมของเขาแต่ในขณะเดียวกันเราก็คิดว่า ถ้าเราแก่เราก็ต้องไม่แก่อย่างนั้นเพราะถ้าแก่อย่างนั้นเป็นเรื่องที่แก่แล้วก็น่าจะได้สังขารภายนอกเขียวย่นเสื่อมโศกมลงไปโดยดําดับจิตใจซึ่งเราสามารถจะควบคุมไม่ได้ให้อยู่ในกุศลนธรรมได้เป็นแก่สีแก่ทานแก่ภาวนาได้มันก็น่าจะไปปรับปรุงที่ส่วนจิตใจเพราะร่างกายเราแก่เกิดมาแล้วแก้ไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ แต่ใจเรานั้นจะมีธรรมะมาก่อนหรือไม่มีธรรมะก็ตามเราแก้ให้มีหรือไม่มีธรรมะได้ทั้งสองอย่างมาความเพิ่มพูนส่วนที่เป็นกุศลขึ้นมาก็ได้เพิ่มพูนส่วนที่เป็นอกุศลก็ได้เพราะตั้งกุศลอกุศลก็มีอยู่ภายในใจของบุคคลอยู่แล้วบางครั้งบางคราวเราก็เห็นคนแก่บางท่านที่มีสติสัมปชัญญะดีมีพรหมบิหารไม่มีอคติ มีความสงบน่าเคารพนับถือที่มองพระอาหารหันต์มองพระอาหารหันต์ในฐานะที่เป็นผู้กวรแก่การเคารพนับถือแล้วเกิดสธาปสาธะนำหลักการดำเนินชีวิตการประพฤติปฏิบัติของท่านมาเป็นแนวในการดำเนินชีวิตเาการมองคนแก่ในแนวนี้ก็เหมือนกันหรือถ้าเราแก่ได้อย่างนั้น คือแก่ศีลแก่ทานแก่ภ า, าวนาได้เป็นการเสริมค่าของชีวิตตัวเองให้สูงขึ้นดเดินไปตามทางของสัตว์ประดุษของบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายแล้วกลายเป็นการสร้างแบวแผนที่ดีงามไม่แก่อนุชนรุ่ดหลังนี่แสดงว่าเราก็ได้หมดหรือมองจากความแก่อย่างเดียวแต่ก็ได้รับรู้ความจริงหรือเข้าถึงความจริง ที่มันจะต้องเป็นก็มันอย่างนั้นมีใครที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ความต้นเหตุเป็นอย่างนี้ผลก็ต้องออกมาเป็นอย่างนี้ทุกทีนั้นจากมุมเหล่านี้พอถึงความตายเราก็ได้อย่างกันเหมือนกันคนที่ตายนั้นเป็นการจบสิ้นชีวิตในแต่ละชาติที่แสดงว่ามรณรตา ม, มีชีวิตตั้งว่าชีวิตนั้นมีความตายเป็นที่ยุติลงในแต่ละชาติ มันก็ น, น้ำหนึนงกันใหม่อีกต่อไปตัวความตายที่แสดงถึงสภาวธรรมมันก็ตาใจยอมรับได้ว่าแม้เราเองก็เป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แต่มองในแง่ของการละกิเลสคนตายบางคนตายไปแล้วก็นอนสะดุ้งอยู่ในโลงศพ นีคนก็ด่าวา่าก็ทำนี่เใส่ร้ายก็เปิดโปงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสังกดเหล่านี้ได้กระทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เราก็มองกลับไปที่ตัวกรรมมองกลับไปที่ตัวอกุศลกรรมซึ่งเม่นเหให้กระทำอกุศลกรรมนั้นแล้วพ้วยความทุกข์ความเดือดร้อนและการถูกด่าวา่าถูกแช้งชักหักกระดูกมันจะตายไปแล้วเราก็งดเว้น นั่นแสดงว่าเราก็ได้ผลในแง่ของมรรคศาสตร์และในแง่ของสุขภัจจศาสตร์หรือท่านบางคนตายไปแล้วก็ส่งออกไปอย่างประเภทนิพพานือาการเจริญกรรมฐานที่มีนิพพานเป็นอารมณ์มันก็มองในแนวนั้นเพื่อจะถือตามปฏิบัติแนวของพระหรนันทางไหนประ ก, การนิบาตธรมะก็จะมีแนวนี้คือจะเคลื่อนไหวไปตามหลักของเรสัต ท, ทั้ง4ประการ แต่ว่าผลจะต้องเป็นสันติโกเห็นได้โดยใจกันตัวเองเห็นในส่วนลดคือการลดของตัณหามานะติฏฐิเห็นก็ส่วนเพิ่มก็คือการเพิ่มขึ้นของความไม่โลภไม่กดไม่ดลงหรือเพิ่มขึ้นของปัญญาความบริสุทธิ์และความเมตตากรุณาเมื่อมองเห็นในด้านใดด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็หมายความว่าก็ต้องมีอยู่ด้วย ซึ่งมาเป็นเช่นนี้สาระประโยชน์ที่พึงได้ปึกมีจากการเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็จะบังเกิดขึ้นตานสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจต้องความสงบสืบต่อไป